คิดไหมว่าการปฏิบัติของเราที่ผ่านมาเราพยายามทําให้ถูกหรือออกไหมของลวงพ่อจะสอนกลับข้าวเลยให้รู้ทานตรงที่มันผิดแล้วมันถูกเองเพราตรงที่ถูกแนละ้วทําขึ้นมาไม่ได้สติก็สั่งให้เกิดไม่ได้สัมมาสมาธิจะสั่งให้จิตตั้งมั่นก็ไม่ได้ตรงที่ถูกมันทำขึ้นมาไม่ได้ให้รู้ รวังรู้สึกต่างๆที่ไม่เหมือนกันสักเวลาหนึ่งแต่ ท, ที่สองหัดรู้ ก, กิริยาอาการรู้พฤติกรรมของจิตใจจิตใจของเราชอบมีอาการมีพฤติกรรมคือวิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยววิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูวิ่งไปทางใจเป็กชิดเนี่ยวิ่งทางใจงันะ้นให้คอยอรู้ทันนะจตใจจะหนีไปนี้มาจิตใจจะลงอารมณ์ภายนอกืุดุดไปเรื่อยๆแล้วลืมกายลืมใจไปนี่คือทางที่ผิดอันที่หนึ่ง เติไปหลงไปหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดเนี่ยหลงไปคิดแล้วไหมเมกายเต่มใจไอกไหมสังเกตไหมตรงที่เรารู้ทันล่าเมื่อกี้หลงเนี่ยเราเติมขึ้นชั่วขณะหนึ่งรู้สึกไหมตรงนี้สงสัยรู้สึกหรือเปล่าน้าสงัยรู้วสงสัยถางเมื่อไรรู้ทันจิตเติมขึ้นมาหนึ่งเกิดสติเกิดสมาสมาธิร้อมขึ้นตรงนั้นนี่คิดอีกแล้วทราบไหมให้คอยรูลง แบบนิ่งๆรู้สึกไหมว่า เช้านอเช้า t c d a k e like them. จิตใจของบังคับไม่ได้ จริงเรียนแค่เผลอรู้นะก็พอแล้วรู้จักเผล่อย่างกินเนี้ยรู้จักรู้อย่างตรงที่มันเผลอเราก็รู้ว่ามันเผลอแล้วนะรู้ละแต่อยู่ช่วขณะเพราะมันเป็นแค่เกิดขึ้นมาทรงอยู่ด้วยสถาการณ์สมาธิช่วงขณะแล้วมันก็เผลอใหม่เนี่ยเผลออีกละเห็นไหมรู้แล้ะรู้แล้วก็จะเผลอบ้าไปถ้าเรารู้อย yeah, yeah. mm ู hmm. okay. well, the, sia, doctor, it, anyway, arian, ่แค yeah, yeah, yeah. mm ่นี้ชาตินี้ปฏิบัติเป็นอยู่แค่นี้พอแล้ว กูตอนแรกก เติมสับผนมากย เฝ้าอยู่ตรงนี้ให้ลวงปู้ให้ดูดูจิตจะมาดูอยู่ที่ตัวนี้พระพุทธเจ้าบอกให้ดูทุกเนี่ยเดี๋ยวคุณจะต้องคงไปดูนะในอาทิตย์สองสามนี้โอ้ครั้งอยู่ตั้งแต่กีนั่นะกว่าจะเข้าใจนะ มันคล้ค่าน้ำมันนิ่งเนี่ยน้ำมันนิ่งน้ำมันเน่าใจน่นี้พอนิ่งนิ่งเน่าไปเลยเสุบสเอาคุณผู้หญิงที่มีผ้าผ้าสีขาวเนี่ยเป็นไงรู้สึ ก, กไวทางนี้เป็นเหลือครอ๋อยิเป็นไง เข้าใจยากะที่เข้าใจยากเพราะว่าจิตของเราคุ้นเคยแต่อารมณ์บัญญัติคุ้นเคยนต่การคิดเนื่องไปเราไม่คุ้นเคยที่จะรู้สึก